S 1> <S 1> ผมยืนอยู่ที่ทางเท้าฝั่งตลาดบำเพ็ญบุญแล้วก็กำลังมองดูโรงภาพยนตร์สาราเฉลิมกรุงฝั่งตรงข้ามที่กำลังคึกคักไปด้วยผู้คนก็นึกปลงตัวเองว่าตัวเรานี่ก็นับว่าเก่าแก่จนจะจากโลกนี้ไปแล้วและอะไรๆในยุคหลังก็มาแทนที่ยุคเก่าที่แล้วๆมาจนจำของเก่าไม่ได้สถานที่แถวนี้ผมเคยวิ่งเล่นอยู่เมื่ออายุยังหเจขวบแต่วาเวลานี้ ตัวผมอายุปาเข้าไป 70% แล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็เปลี่ยนไปหมดและหญิงสาวที่ยืนอยู่ข้างผมเดี๋ยวนี้ก็คือหลานสาวเป็นลูกของลูกสาวอีกทีผมก็เลยมีตำแหน่งเป็นตาของอูไรวันครูสาวของโรงเรียนสาวภาสิงโตคือนามของผมแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมถึงชื่อแบบนี้ผู้ที่ตั้งชื่อให้กับผมนั้นก็ไม่รู้ว่าไปถือลักษณะอะไรถึงมาตั้งชื่อให้ก็เดาไม่ถูก รูปร่างหน้าตาผมจะว่าดุหรือมีสง่าเหมือนสิงโตก็เปล่าเลยยิ่งเวลานี้ด้วยแล้วมันก็อิาแตะคนหนึ่งที่เดินเกือบจะไม่ไหวคุณตาคะหลานเรียกผมผมก็หันไปมองดูเขาเมื่อสมัยโน้นคุณตาเคยบอกว่าที่ที่เรายือนอยู่ตรงนี้เนี่ยเคยเป็นวังของเจ้านายมาก่อนใช่ไหมคะออถูกแล้วหลานเอ้ยแต่นี่เมื่อตาอายุเจ็ดแปดขวบวังนี้ก็ร้างแล้ว มีแต่วังไม่มีคนอยู่ที่เรายืนอยู่เนี่ยก็เป็นตึกแถวแล้วก็มีตึกรอบไปจนหลังวังโน่นละแต่ว่าทางด้านถนนที่จะไปสะพานฐานนั้นเนี่ยมันยังมีกำแพงวังอยู่บ้างจนไปจรวดริมฝั่งคลองสะพานผ่านโน่นแล้วโรงภาพยนตร์เฉลิมกรุงนั่นล่ะคะตาเมื่อก่อนเนี่ยเป็นอะไรคะอุไราถามต่อผมเห็นว่าเรื่องจะยาวไปอีกก็เลยชวนหลานหาร้านกาแฟดื่มเพื่อฆ่าเวลาสัหน่อย ความจริงศาลาเฉลิมกรุงนี้เพิ่งสร้างตอนที่ผมเป็นหนุ่มแล้วก่อนทีเดียวมันก็เป็นตึกแถวทั้งนั้นนับตั้งแต่ถนนอุณาการเป็นสี่เหลี่ยมอ้อมไปพาหุรัดแล้วก็หักเลี้ยวกลับมาถนนตีทองแล้วก็วกเข้าด้านเจริญกรุงนี่แต่ว่าตึกแถวตอนนี้เขาสร้างหักเลี้ยวเข้าตรงกลางเป็นเวิร์กว่างเขาทำเครื่องสูบน้าบาดาลอยู่ชิดตลาดมิ่งเมืองด้านพาหุรัตนนั่น ในเวงนี้จึงมีทางออกได้สทางคือด้านเจริญกรุงด้านอุณากันด้านพาหุรัตและด้านบ้านม้อสถานีตํารวจเก่านามของตําบล น, นี้คือสนามน้ําจืดแดนนี้จัดว่าเป็นแดนสําคัญของชาวบางกอกเป็นแดนที่มีน้ําสะอาดดื่มกินแทนที่จะดื่มกินน้ําในคลองหรือแม่น้ํากันเพราะว่าตามคลองนั้นมีของสกรปรกลอยให้เห็นอยู่เวลาที่น้ําขึ้นน้ําลงเสมอ เมื่อมามีน้ำบาดาลดื่มกินน้ำในคลองบางกอกเราจึงใช้เพียงแค่อาบกันเท่านั้นในแดนนี้ทั้งวันจะมีคนมาหาบน้ำไปใช้บ้างและไปขายตามชาวตึกชาวบ้านทั่วไปบ้างพอเวลาเย็นค่ำก็ปิดการจ่ายน้ำในเวื้งสนามน้ำจืดก็เงียบคนพวกตึกแถวนี้ถ้าเป็นหัวมุมถึงจะเป็นห้างขายของญี่ปุ่นบ้านจีนบ้างถ้าไม่ใช่หัวมุมก็เป็นห้องเช่าของคนที่อยู่อาศัยธรรมดานั่นเอง บรรยากาศก็เลยเงียบมากนานๆจะมีรถลากหรือที่เรียกกันว่ารถเจ๊กวิ่งมาสักคันสองคันถ้ารถมา้าจะมาบ้างก็หมายถึงว่าเป็นรถขุนนางทีเดียวถ้ารถยนต์ก็ต้องเป็นรถยนต์หลวงหรือไม่ก็เป็นรถของขุนนางใหญ่ขนาดใกล้ชิดพระเจ้าแผ่นดินทีเดียวจึงจะใช้ถ้าวันไหนวิ่งมาจะได้ยินเสียงครึกขลุกหรือป๊อกป๊อกลั่นถนนมาและไม่เงียบเหมือนรถยนต์สมัยนี้หรอก มาแต่ละทีจะบอกให้รู้ด้วยเสียงว่าผู้มีบุญหนักศัก์ใหญ่มาแล้วรถยนต์แต่ก่อนกลางคืนก็ใช้ตะเกียงจุดอย่างรถม้านั่นเองพอมาสักพักหน่อยก็มีตะเกียงแก๊สใช้ถ้ารถไปจอดที่ใดแล้วก็เปลี่ยนแก๊สเผ า, ากากแก๊สทิ้งไว้พอรถไปแล้วก็จะมีคนมายืนดูกา ก, ากแก๊สกันแล้วก็พูดว่าวันนี้มีรถยนต์มาจอดที่นี่เป็นเรื่องใหญ่ปานนั้น ความคึกครื้นของถนนเจรเดินกรุงนี้มีอยู่ตอนเดียวก็คือตรงตำบล3ามยอดและก็สะพานเหล็กนั่นแหละเพราะว่าที่นั่นเป็นโรงหวยกอขอพอข้ามสะพานเหล็กไปก็เป็นแดนผู้หญิงอย่างนั้นมากมายจึงคึกครื้นไปด้วยนักเลงหวยนักเลงผู้หญิงแต่ครั้นเลยมาถึงสนามน้าจืดไปจนสีกากพยานู่นก็เงียบงอมกลางคืนมักจะนอนกันเงียบส่วนใหญ่เป็นห้องพักห้องอาศัยทั้งนั้นไม่ค่อยมีร้านค้านัก ที่สีกั๊กพระยาสีที่เดียวทั้งสี่ด้านของสีกั๊กนั้นมีห้างฝรั่งขายของดีๆแต่ว่าพอเย็นมาก็ปิดพวกนายห้างฝรั่งเอาห้างตอนบนเป็นบ้านอยู่ความเจริญในเวลานี้ทำให้คล้ายกับว่าบ้านเมืองแคบเข้ามาเพราะว่ามีทั้งรถทั้งเรือเร็วทันใจไปมาสะดวกสมัยผมยังเด็กอยู่กับคุณย่าที่ตลาดแก้วตลาดขวัญเมืองนนโน้ น, นจะไปจะมาทีก็ต้องนั่งรถรางไปลงบางกระบือแล้วก็ต้องลงเรืออีกที จนจะถึงเมืองนนแต่ว่าเดี๋ยวนี้สะดวกเลยเวลานี้ผมย้ายบ้านไปอยู่บางบัวทองแล้วจะไปจะมาก็สะดวกถ้าเป็นแต่ก่อนนะจะยุ่งยากมากต้องลงเรือที่ท่าเตียนเป็นเรือเมแดงเรือเมเขียวหรือถ้าจะไปทางลัดก็ต้องนั่งรถรางไปลงที่เทเวศแล้วก็ข้ามเรือจ้างไปฝั่งทนจะมีสถานีรถรางเป็นของเจ้าคุณวรพงษ์วิ่งตัดสวนต่างๆไปออกทุ่งนาตรงไปตลาดบางบัวทอง รถรางของท่านเจ้าคุณท่านนี้สร้างตัวรถแบบเดียวกับรถยนต์รางที่ปากลัดพระประแดงคือไม่มีฝาไม่มีตัวถังรถเปิดโปร่งมีมานั่งเป็นแถวๆไปเวลานี้เขาเลิกสมดแล้วผมยังนึกเสียดายอยู่หลานสาวเป็นครูก็อยากรู้อะไรต่อมีอะไรรอบๆตัวตัวของผมเองเนี่ยเป็นตาเป็นปู่ รู้อะไรจําอะไรได้ก็เล่าให้ฟังไปเท่าที่รู้ตามระเบียบของคนที่เกิดก่อนเขาเห็นอะไรก่อนเขาท่านที่เคารพผมเป็นลูกกําพร้าได้หญิงชราผู้หนึ่งที่สงสารแล้วก็เมตตาผมจึงขอเอาผมมาเลี้ยงผมจึงเรียกท่านว่าคุณนายย่าท่านจะไปไหนผมก็ติดตามไปทุกแห่งเข้าแบบสองคนย่าหลาน ในสมัยหนึ่งคุณย่าได้มาวนเวียนอยู่แถวตําบลสนามน้ําจืดที่เป็นโรงภาพยนตร์นี่แหละโดยว่าคุณย่ามีลูกสาวคนหนึ่งได้สามีเป็นขุนนางแล้วก็มาเช่าตึกตั้งร้านตัดเสื้อสตรีอยู่ตรงข้ามกับสนามน้ําจืดคุณย่ามาหาลูกสาวบ่อยๆแล้วก็มาค้างอยู่หลายคืนผมก็เลยยึดเอาที่แถวนี้วิ่งเล่นสบายใจไปเลย ได้เพื่อนเป็นเด็กจีนบ้างแขกบ้างอินเดียบ้างแขกประธานบ้างญี่ปุ่นบ้างก็ถือเอาบริเวณสนามน้ําจืดเนี่เป็นของเราซะเลยคุณย่าของผมท่านชอบการพนันทุกชนิดนับตั้งแต่ถั่วโปไพ่ตองหวยกอขอ้ะบังเอิญตึกห้องหนึ่งที่อยู่ใกล้กันกับร้านตัดเสื้อของลูกสาวคุณย่าเปิดตั้งเป็นบ่อนไพ่ตองเฉพาะกลางวันชื่อว่าผ่อนไพ่จางวางเวา ท่านจางวางว่านี้ก็เป็นจางวางของเจ้านายวังนี้นั่นเองภรรยาของท่านจางวางได้เปิดบ่อนขึ้นเป็นการหารายได้ในยุคนั้นเมืองไทยของเรานี่เรียกว่าเป็นยุคที่จเจริญทางการพนันแทบทุกประเภทบ่อนสมัยก่อนโน้นเขาจะมีผู้หญิงเสียงดังๆเป็นคนขานชื่อตัวไพ่เมื่อเขาคนไหนเรียกให้เปิดไพ่ในกองหญิงคนนั้นก็จะเปิดไพ่ในกอง แล้วก็ส่งให้แก่ผู้นั้นพร้อมกับเรียกชื่อไพ่เสียงแจ้วเลยทีเดียวผมนี่มีหน้าที่วิ่งเล่นกับเพื่อนทั้งหลายอย่างสบายถนนจะเดินกรุงสมัยนั้นห่างรถห่างราก็มีสภาพเท่ากับลานบ้านพวกเราก็วิ่งกันเกลอไปทุกซอกทุกมุมขนมมีเยอะเพื่อนเจ๊กก็มีขนมเจ๊กแบ่งเพื่อนแขกก็มีขนมแขกแบ่งถ้าไปโดนตรุษของพวกแขกเข้าก็ได้กินข้าวบุหรี่กันอิ่มกันเลยทีเดียว ชื่อของข้าวแขกนี่ผมมาเรียกถูกเอาเมื่อตอนโตเป็นผู้ใหญ่แล้วแต่แรกก็เรียกว่าข้าวบุรีมันคล้ายข้าวเป็นยาสูบอย่างนั้นซึ่งความจริงที่ถูกต้องข้าวแบบนี้เป็นข้าวแขกอัฟกานิสถานเมืองหลวงชื่อคาบูลเขาจึงเรียกชื่อว่าข้าวคาบุลลี่ไทยเราก็เลยเรียกกันสบายปากไปเลย แขกชาตินี้ไทยเรายังเรียกหลายชื่อเช่นกาบันก็คือคาร์บูนแล้วก็ปลาทานบ้างตามสบายปากคนไทยเรานี่ก็แปลกนึกอะไรได้ก็เรียกไปข้าวคาร์บุลลี่เดี๋ยวนี้ทางไทยมุสลิมเรียกว่าข้าวหมกไก่ความจริงเข้าทำหลายอย่างนะไม่ว่าจะเป็นข้าวหมกเนื้อข้าวหมกไก่ข้าวหมกแพะแต่ว่าการปรุงเครื่องเทศอ่อนลงกว่าสมัยโน้นมากทีเดียว คุณย่าผมถนัดการพนันมากเล่นไม่ค่อยเสียเล่นได้เสมอจึงมีเงินเล่นได้อยู่บ่อยๆการพนันได้เปลี่ยนเล่นไปตามใจรักบางวันไปเล่นถั่วโปตามบ่อนบางวันก็ไม่ถ้ากลางคืนไม่เข้าบ่อนก็มักหย่อนใจดูลีเกผมก็ต้องติดตามไปทุกอย่างเพราะไม่ว่าจะไปประเภทไหนผมมีของกินอย่างฟุ่มเฟือยทั้งนั้นคุณย่าของผมใจดีเหลือเกินวันไหนรวยมากก็ซื้อขนมแจกแม้กระทั่งรถเจ๊กที่ลากมาส่ง หน้ามะม่วงก็แจกมะม่วงหน้าทุเรียนก็แจกทุเรียนพวกรถเจ๊กก็เลยจำคุณย่าได้มากขันออกปากว่าอเล่ายายหอดูลิเกก็ดูกันจนชอบกับตัวลิเกทุกคนลูกเมียลิเกคุณย่าแจกเงินแจกขนมดูลิเกไม่เสียเงินเลยไปดูลิเกพอลิเกเลิกเสร็จแล้วก็กลับพร้อมกับพวกลิเกเมื่อสมัยผมเกิดยังไม่ทันคุณย่าเล่า ว, ว่าเคยถูกเปรตที่ทุ่งพระเมรเล่นงานเอา ตอนที่เดินกลับมาพร้อมกับพวกลิเกมากคนด้วยกันท่านบอกว่ามองไปข้างหน้าเห็นคนยืนพิงกำแพงพระราชวางังตรงป้อมหัวมุมแต่ครั้นมองมองไปก็เลยนึกรู้ว่านั่นไม่ใช่คนเพราะคนอะไรมันจะสูงใหญ่ขนาดนั้นเขายืนพิงป้อมโดยที่เท้าทั้งสองข้างยังคงอยู่บนพื้นดินแต่ว่าแขนนั้นยันข้อศอกไปอยู่ที่ใบเสมากำแพงป้อม พอรู้กันว่าเปรตก็กลัวกันคุกเข่าลงกระดาบไหว้ขออภัยไม่มีใครกล้าวิ่งหนีเพราะคํานวณอยู่ว่าเปรตนั้นขายาวจะหนีย่อมไม่ทันเพราะว่าทุ่งพระสุเมนนั้นระยะทางยาวมากคุณย่าบอกว่าสมัยโน้นทุ่งพระเมนเป็นทุ่งสำหรับทำศพของพระเจ้าแผ่นดินปล่อยทุ่งไว้เฉยๆเพื่อรอเวลามีงานพระศพเป็นทุ่งจริงๆ กลางวันมีวัวควายของคนไทยของแขกมาเลี้ยงกันเต็มไปหมดท้องทุ่งเป็นหลุมเป็นบ่อมีน้ำขังบ้างตามสมควรผักปลาก็ชุมมีศาลาอยู่กึ่งกลางเพื่อให้คนเดินทางได้พักเพื่อที่จะหายเหนื่อยความวังเวงของทุ่งพระเมนจึงน่ากลัวเป็นที่หนึ่งแต่สมัยที่ผมห7เจ็ขวบตามคุณย่าผ่านมากลางคืนก็น่ากลัวอยู่แล้วน้อยๆคนไม่กล้าผ่านมาได้กลัวพวกคนร้ายวิ่งราวข้าวของ แต่ผู้ร้ายสมัยก่อนโน้นไม่โหดเหี้ยมอย่างสมัยนี้เอาแต่เพียงของเล็กๆน้อยๆติดไม้ติดมือไม่ทําร้ายใครรถเจ็กหรือรถลากสมัยผมเด็กๆเนี่ยดีจริงๆที่วางเท้าของผู้นั่งมีพรมขนาดดีขนยาวฟูอ่อนนุ่มผมจึงขอสมัครนั่งกับพรมนั้นทุกคราวไม่เคยนั่งบนเบาะที่นั่งกับคุณย่าข้างบนแม้แต่ครั้งเดียวเลยง่วงก็หลับได้กอดขาคุณย่าแล้วก็หลับ พอถึงตึกลูกสาวคุณย่าซึ่งผมเรียกว่าคุณนายแม่คุณย่าก็ปลุกผมเรากลับจากบ่อนหรือว่าวิกลิเกก็ดึกทุกทีคุณนายแม่ต้องตื่นมาเปิดประตูรับทุกคราวจึงเกิดการทะเลาะกันบ่อยๆน่าสงสารคุณย่าคุณย่าไม่ค่อยเถียงคุณนายแม่เพราะถือว่าตัวผิดก็นิ่งให้คุณนายแม่ว่าเอาอยู่ข้างเดียวบางคราวผมกับคุณย่าก็ต้องคอยเข้าตึกพร้อมกับพวกเทอุจระเขามาเรียกดึกๆเราก็พลอยผสมเข้าไปด้วย การเปลี่ยนถังอุจระนี้ทางเจกเขามีรถใหญ่เทียมด้วยวัวคู่หนึ่งมาจอดอยู่ยังที่ใดที่หนึ่งแล้วก็ส่งคนของเขาเนี่ยหาบถังเปล่าไปเปลี่ยนถังที่เต็มล้นตามตึกพอมีคนเปิดประตูเจกจะหาบถังเปล่าเข้าไปถึงห้องซ้วมเอาถังเต็มหาบออกเอาถังเปล่าว่างไว้ให้นั่นแหละครับบางทีผมกับคุณย่าก็ต้องคอยเวลานั้นจึงจะเข้าตึกได้แต่ก็คงถูกคุณนายแม่ตาหนเอา คุณย่ากลัวคุณนายแม่ไม่เถียงบางคราวนี่ถึงกับร้องไห้ผมสงสารจริงๆคืนหนึ่งผมกับคุณย่านี่โดนดีเข้าให้ผมนิจจําติดตาจนถึงปัจจุบันนี้ไม่เคยลืมเลยวันนั้นคุณย่าเปลี่ยนบ่อนเล่นไปเล่นทางบ่อนนางเลิงแล้วก็รวยมาก็นั่งรถเจ๊กกลับเจ๊กได้ลากรถผ่านหน้าวัดสะเกดในยามดึกซึ่งจะหาผู้คนสัญจรสักคนเดียวก็ไม่มี ที่กลางถนนหน้าวัดนั้นมีเงาดำอะไรทอดยาวขวางถนนอยู่เจ๊คลากรถชะงักหยุดแล้วก็เตรียมท่าจะหมุนตัวกลับรถเพราะว่าเจ๊กนี่เคยโดนมาแล้วเงาดำพาดหัวบนถนนนั้นมักจะเป็นงูใหญ่พอใกล้เข้าไปมันก็จะขดตัวแล้วชูหัวขึ้นเจ๊กก็คิดว่าจะเป็นดังนั้นก็เลยระวังตัวแต่ว่าคราวนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นนะสิครับขณะที่เจ๊กกาลังจะหมุนตัวนั้นเงาดาก็เคลื่อนไหว แต่ไม่ใช่งูกลายเป็นคนที่มีร่างกายใหญ่แล้วก็สูงทั้งยญ้าและผมนี่กลัวจนตัวสั่นเจ๊กลากรถร้องลั่นหมุนรถกลับวิ่งไม่คิดชีวิตผมหันไปดูเห็นคนนั้นลุกขึ้นยืนกลางขาเท้าเซเอลที่กลางถนนหัวเขาสูงท่วมเสาไฟฟ้าข้างถนนและภาพนั้นก็เดินช้าๆเข้าวัดไปผมกอดคุณย่าเพื่อที่จะให้เป็นที่พึ่งรถได้วิ่งกลับมานั่งเลื้งอีก คุณย่าก็เลยแวะนอนที่บ้านพวกลี่เก๋ที่ชอบกันรุ่งขึ้นจึงได้กลับมาร้านตัดเสื้อคุณนายแม่ก็เล่นงานคุณย่าอีกตามเคยผมร้องไห้สงสารคุณย่าเพราะท่านเถียงไม่ขึ้นได้แต่ร้องไห้คุณนายแม่ส่งลูกกุญแจให้พวงหนึ่งและบอกให้คุณย่าไปนอนเฝ้าตึกฝากสนามน้ำจืดที่ปิดใส่กุญแจไว้เฉยๆคุณย่ากับผมได้ข้ามมาที่ตึกนั้นมันเป็นตึกหัวมุมเมื่อไขกุญแจเข้าไปแล้วก็พบว่ามันเป็นร้านบิลเลียด มีโต๊ะอยู่เรียบร้อยแต่ทำไมไม่เปิดเล่นผมก็ไม่ทราบคุณย่าก็จัดแจงขนที่นอนหมอนมุ้งไปอยู่ชั้นบนต่อไปนี้เราก็สบายกันจะไปจะกลับเมื่อใดก็เป็นอิสระกลับจากบอนหรือลีเกก็มาไขากุญแจแล้วก็อาบน้ำขึ้นนอนสบายข้าวปลาซื้อกินเองไม่ต้องยุ่งมีอยู่วันหนึ่งคุณย่ากลับดึกมากกลางวันก็เลยง่วงท่านจัดการลงกรอนประตูตึกดีแล้วก็ขึ้นไปนอนข้างบน ผมเองก็นอนด้วยแต่ว่าไม่ง่วงก็นอนเล่นๆไปพอคุณย่าหลับดีแล้วผมก็ย่องลงบันไดจะไปข้างล่างตั้งใจจะไปลูบไปคลาจะลูกบินเลียดดูสักหน่อยหนึ่งให้ถนัดตาถนัดมือแต่ครั้นลงบันไดามาได้ครึ่งเดียวก็เห็นใครไม่รู้เล่นไอ้ลูกกลมๆนั่นอยู่ก่อนเป็นผู้ชายร่างสูงๆตัดผมเกลียนไว้หนวดที่ริมฝีปากนุ่งผ้าโจงกระเบนใส่ถุงน่องรองเท้า กำลังเอาไม้แทงลูกกลมๆนั่นอยู่ผมก็เลยหยุดยืนอยู่บนบันไดไม่กล้าลงไปเพราะว่าดูท่าทางคนคนนั้นจะเป็นขุนนางพอเขาเหลือบมาเห็นผมเข้าเขาก็มองดูผมอย่างประหลาดใจดวงตาแข็งๆคล้ายกับดุดุและก็ชี้หน้าผมโบกไม้โบกมือให้กลับขึ้นไปที่เก่าด้วยกิริยาที่มีอำนาจและไม่เคยรู้จักกันผมจึงกลับไปข้างบนไปนอนข้างคุณย่าแล้วก็หลับไปโดยไม่รู้ตัว ตกบ่ายคุณย่าปลุกให้ผมตื่นแล้วก็ไปอาบน้ําแต่งตัวออกจากตึกใส่กุญแจแล้วคุณย่าก็นําผมเดินไปที่ตลาดบ้านม่อเพื่อที่จะได้ซื้อข้าวซื้อแกงกันกินตามประสาญากับหลานในระหว่างที่นั่งกินกันอยู่นั้นผมก็เล่าให้คุณย่าฟังถึงชายขุนนางนั้นคุณย่าฟังผมแล้วก็ทําตาขึงขึงขมวดคิ้วข้ า, าใส่กรอนกับมือใครมันจะเข้ามาได้วะท่านบน่นแล้วก็หาว่าผมเหลวไหลผมก็ยังคงยืนยันว่าเห็นดังนั้นจริงๆ เองน่ะหลับไปแล้วก็ออกมาฝันเล่าให้ข้าฟังเป็นตุเป็นตะท่านว่าอีกแต่ผมก็ยังคงยืนกลานอย่างเดิมเอ๊ะมันเข้ามาทางไหนวะคุณย่าบนดูท่าทางว่าจะห่วงข้าวของว่าจะหายท่านคงไม่สบายใจเพราะมานอนเฝ้าตึกเขาถ้าเกิดของหายอีกก็เวรใหญ่ พออิ่มข้าวเสร็จแล้วคุณย่าก็รีบกลับไขกุญแจแล้วก็เที่ยวตรวจดูของทั่วไปผมเองตั้งแต่มาที่ตึกนี้ก็ไม่เคยเห็นคุณย่าตรวจดูของใดๆเลยแล้วทำอย่างไรคุณย่าจะดูได้ว่าอะไรที่หายไปบ้างท่านกงยืนใจอ่อนอยู่ข้างโต๊ะบิลเลียดพอดีผมเหลือบไปเห็นรูปในกรอบที่ติดอยู่ข้างผนังตึกด้านหนึ่งก็รองขึ้นพร้อมกับชี้มือไปแล้วก็พูดว่าคนคนนั้นแหละที่ผมเห็นเมื่อตอนกลางวัน คุณย่าตาพองมีท่าตกใจฉุดข้อมือผมออกนอกตึกแล้วก็ใส่กุญแจไว้เรียกรถเจ๊กไปที่นังเลิงไปหาพวกลิเกบอกว่าคืนนี้จะดูลิเกด้วยแล้วก็คุยอะไรด้วยจนค่าพอก่อนที่จะเข้าไปในวิกลิเกคุณย่าแวะแทงหวยดูลิเกจนเลิกแล้วคุณย่ากับผมก็เลยค้างอยู่ที่บ้านลิเก พอตอนสายกลับมาที่ร้านตัดเสื้อคุณย่าเอาลูกกุญแจคืนคุณนายแม่แล้วก็บอกว่าจะกลับบ้านที่ตลาดแก้วตลาดขวัญแล้วเราก็มาลงเรือกันที่ท่าบางกระบือกลับไปที่เมืองนนผมมารู้คราวหลังว่าชายที่ท่าทางเป็นขุนนางนั้นที่แท้ก็คือขุนนางสามีของคุณนายแม่แต่ว่าเขาตายไปสองเดือนแล้วศพยังคงอยู่ที่วัดสะเกดที่คุณย่าไม่ยอมอยู่อีกก็เพราะเหตุนี้นี่เอง ไหนใครว่าผีไม่มีในตอนกลางวันตัวของผมเนี่ยพบผีมาในตอนกลางวันแท้ๆเลยวันนี้จะต้องพาหลานสาวกลับไปเยี่ยมแม่ของเขาที่เจ็บมากอยู่บางบัวทองหลานมาเรียนหนังสือที่กรุงเทพก็อาศัยญาติในกรุงเทพครั้นเรียนสำเร็จได้เป็นครูก็ต้องอาศัยญาติอีกถ้าอยู่บางบัวทองจะมาโรงเรียนอะไรทันกันล่ะ